พอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผูกฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องสมิทธที่สุดสืบต่อจากที่ไดกรายกว้ในบนรบนรดาก่อนได้มาพูดถึงช่วงที่เทวดาซึ่งเป็นภูมิเทวดา เทวดาที่อยู่บนภาคพื้นดินก็สูงกว่ามนุษย์ไม่มากนักเมื่อไปเห็นท่านสมิธิซึ่งยังหนุ่มแน่นรูปร่างหล่อเหลาอการก็เกิดพอใจสนใจก็ปรากฏตัวชักชวนท่านไปในทางด้านกามคุณแต่ก็ไม่ถึงก็พูดตรงๆ เพียงแต่บอกว่าในตอนนี้ท่านก็ยังหนุ่มก็ควรจะแสวงหาความสุขในเรื่องของการมคุณได้ควรจะมุ่งไปหาความสุขด้านที่เป็นทิพยสุขซึ่งยังอยู่ห่างไกลแต่ว่าการมาสุขก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า พระสวิทิได้กล่าวว่าเราหาได้ลักกามที่เห็นไปจกักวิ่งเข้าไปหากามที่เป็นชิปโดยการใหม่หมายความว่าการบวกของท่านนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ในเรื่องของกามไม่ว่ากามที่เป็นชิปหรือว่าการที่เป็นมนุษย์แต่ว่า ถ้าต้องการจะละ ก, กามทั้งหลายโดยการที่คือหมายความว่าวัตถุ ก, การทั้งหลายจะเป็นอะไรก็ตามที่เราสัมผัสกันอยู่โดยเห็นว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเวลาที่รวดเร็วมากพระอาจารก็บอกว่าเป็นของชั่วคราวทั้งๆ ท, ที่มันเป็นของชั่วคราวเนี่ย แต่คนต้องลงทุนสูงมากทั้งในช่วงของการแสวงหาต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอันตรายต้องต่อสู้ต้องยื้อแย่งต้องเสี่ยงค่าต้องทำลายล่างกันแต่โบน ด, ด้ครอบครองเป็นการครอบครองระยะสั้นๆแล้วครอบครองเสร็จมันก็ถูกคนอื่นยื้อแยงไป อย่างภาพที่เราเห็นได้ชัดอย่างที่เคยเล่าเรื่องตอนเจ้าชายธิตาถาท่านเนธอีกาแย่งชิ้นเนื้อกันตัวแรกจบชิ้นเนื้อมาตัวที่สองบินเขาแย่งตัวสามบินเขาแย่งตัวที่หนึ่งก็หลบไปหลบมาไม่กล้าอ้าปากต่อสู้ยอมเจ็บตัวเพื่อป้องกันชิ้นเนื้อในปากของตัวเอง แต่ไปถึงจุดหนึ่งมันก็คิดได้ประชิดเนื้อมันเป็นเป็นเพียงอาหารย่ห้ความอิ่มชั่วขณะแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานเพราะถูกจิกตีจากอีกายอีกสองตัวเนี่ยมันต้องทุกทรมานอยู่นานมล้ก็ถึงทางแยกที่จะต้องเลือกแล้วในที่สุดเธอก็เลือกทิ้งชิ้นเนื้อ ก็หันมาต้องการจะต่อสู้แต่ว่าอีกาอกายสองตัวก็ไม่เห็นความจะเป็นอะไรที่จะต้องต่อสู้ปราะสิ่งที่เธอต้องการนั้นคือชิ้นเนื้อได้หล่นไปเสแล้วเดี๋ยวก็บินแยกย้าย ก, กันไปแต่ข้างล่างก็ไปเจอสุนัขสุนัขตัวหนึ่งก็วิ่งเขางับอีกชิ้นเนื้ออีกสองตัวก็วิ่ ง, งเขาย่งอีกแหละก็แย่งกันไปแย่งกันมาก็บาดเจ็บ แล้วก็ไม่มีใครได้กินจริงเพราะว่าชิ้นเนื้อก็คงไม่มากมายอะไรท่ร้งหลานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการได้มาซึ่งอาหารเพียงไม่ถึงอิ่มแต่ต้องสูญเสียต้องต่อสู้ต้องบาดเจ็บแล้วก็ประสบความทุกข์ทรมานเร้นสัตติดบ่วงสัตติเบ็ดสัตติดกับสัตติดอวน สิตติเครื่องดักสัสตว์ตั้งหลายตลอดถึงถูกยิงอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกรรมหมายความมาถูกเลออาะด้วยเหยื่อคือจะมีการอ่อยเหยื่อแล้วสัตว์พอเห็นเหยื่อมันจะลืมนึกถึงภัยอันตรายแต่ความสั่งกัรแ ก, กเหยื่อมากกว่าความปลอดภัยในชีวิต ของกษัตริย์โลกทั่วไปมันจะมีตายในลักษณะนี้หรือถ้าเราดูเรื่องรามเกียรติ์เรื่องพระรามนางสีดาทศกัณฐ์เนี่ยใช้เวลาต่อสู้กันถึงส4ี่ปีพระรามก็แก่นางสีดาก็แก่ทศกัณฐ์ก็แก่และในสุดทศกัณฐ์ก็ตายพระรามกับนางสีดา อยู่ได้น่อยหนึ่งก็คือถึงหวง่วงเราก็ต้องแยกกันอยู่จนพระบุตรโตเป็นหนุ่มแต่จึงได้กลับคืนมาอยู่กันก็อยู่กันไม่นานก็ที่วงครด้วยกันนั่นแสดงให้เห็นได้ว่าการต่อสู้ในเรื่องเกี่ยวกับการมันจะมีลักษณะเขามันอย่างเงี้ยตั้งไป่ไหนแต่ไรมาแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมอง เทวดามองในมุมหนึ่งแต่พระสมิธินั้นท่านมองในมุมหนึ่งถามบัคคลเข้าถึงความจริงมากกว่าแล้วก็ตอบว่าพระสมิธิเข้าถึงความจริงที่แท้จริงได้มากกว่าเพราะท่านไม่สัมผัสโดยตรงแต่ท่านเชื่อมั่นในประสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าการนี้มีทุกข์มากมีความก้าวแกนมาก แล้วก็ในการทั้งหลายนั้นมีโทษเป็นอย่างยิ่งก็จนถึงก็ตกนรกอเวจีนะฮะทุกงวังลองสังเกตดูว่าพฤติกรรมของพระเทวทัตที่อุตสาหธรรมอนันตริกรรมถึงสองอย่างคืทงอทำโลหิตุประบาทแล้วก็ทำสังเกทเพีย ง, งเพื่อต้อ ง, งตองการครอบครอง ตำแหน่งพระพุทธเจ้าเอาตีต่างว่าได้นะครบครอบครองได้แต่ท่านจะครอบครองอยู่ได้กี่วันท่านก็ต้องตายพอตายเสร็จแล้วท่านก็ต้องตกนร ก, ก, ก, นรกแล้วก็หมกไมมอยู่นานแสนนานแม้ในปัจจุบันเองก็ยังอยู่ในนรกเดียตัวอย่างที่เล่าถึง เขเรียกว่าอะไรต่งางๆไพศาลเขาเรียกว่าเปรต ด, ดิบนะฮะที่จริงเรื่องเหล่านี้มีคนเยอะที่มีการรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาก็มีการพบเห็นมีการรับรู้แต่ว่าก็ลืมพอถึงคราวตนตัดสินใจนั้นจะลืมถึงบาปรกรรม แล้วในสุดคนก็กระโจนลงสู่ห้วงเหวของความทุกข์ก็ก็ะทำบักในขณะแสวงหาในขณะได้มาในขณะครอบครองในขณะบริโภคใจสอยในขณะปกป้องทรัพย์สินเงินทองตัวเองถึงบางครั้งบางคราวก็ทำลายไข่ตรงกันข้าม แต่ในสุดก็ไม่มีใครได้ครอบครองเพราะในส่วนของโลกุตรธรรมเนี่ยโลกุตรธรรมในที่นี้ก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนะฮะเกิดตั้งแต่โสดาปติมัคขึ้นไปจนถึงนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าโลกุตรธรรมมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากอริยมรรคปุลงแปดประการแต่ว่าตัว โซดาปฏิมากเป็นต้นก็เป็นผลเหมือนกันในขณะเดียวกันเขาก็เป็นเหตุแห่งผลคือโสดาปฏิผลสักาาัตขามีผลธนาคารมีผลราตาผลแล้วผลนั้นก็เป็นเหตุอีกละแห่งนิพพานเพราะนิพพานก็เป็นเหตุแห่งวิมุตนะฮะวิมุตเนี่ยจริงเป็นตัวสุดท้ายคือเป็นตัวผลที่แท้จริงแต่เวลาเรียกเนี่ยเราจะเรียกนิพพานมากกว่าเรียกว่าวิมุติ พอดูแล้วน่าสัมผัสคือวิมุตต์มันพ้นไปเลยแต่วนิพานแปลว่าดับกิเลสแล้วก็ดับทุกแปลว่าความสุขแปลว่าความว่างแปลว่าความสงบเย็นมันดูแล้วมันน่าสัมผัสมากกว่าคือสื่อสารแล้วเนี่ยคนอยากสัมผัสมากแบบวันใดก็ไม่ค่อยจะสื่อสารด้วยภาษาคำว่าวิมุตต์มากเท่ากับคําันิพานหรือวันนิโรธ ข่าวตัวนี้เราจะคุนแล้วก็สื่อสารเนี่ยมันคิดออกมาเป็นรูปธรรมได้ง่ายกว่าเพราะในความเป็นโลกุตระมักเนี่ยก็ตรงกันหลักของพุทธรรมกุลในธรรมคุณเนี่ยในธรรมคุณสี่ข้อนะฮะยกเวน้นคือตั้งแต่สันทิติโกเนี่ย อันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองแล้วกาลิโกให้ผลตามการเอปัสสิโกควรเรียกร้องผู้อื่นมาว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานิโกน้อมนำเข้ามาภายในตนปัจจตังวิริตบโบรโยชิบินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตบางครั้งได้เรียกทัพนะฮะแต่เรียกทัพนะคำว่า สันทิติกังนิพพานังอาการิกังนิพพานังเอหิปัสิกังนิพพานังโอปนายิกังนิพพานังปัจจตังเวดิตะบังวิด ญ, ญานังพับไปเลยหมายความว่าเรียกเป็นชื่อของพระนิพพานไปเลยเป็นนิพพานที่หมายความว่าเชิญชวนเักชวนให้มาดูมาชมแล้วก็แต่ละคนจะสัมผัสได้ดูตัวเอง อย่างที่ยกตัวอย่างเหมือนรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเอาก็จริงต่างคนต่างก็อร่อยต่างคนต่างก็อิม่มต่างคนต่างก็ได้รับประโยชน์จากอาหารเฉพาะตัวแบ่ง ป, ปันอะไรกันไม่ได้เวลคําเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือสมบูรณ์แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราสามารถชิมได้ ก็เรียกว่าปฏิสัมผัสนิพานนอน่อนอีอนไ่ได้เช่นวา่าเห็นได้ด้วยตัวเองนี่เกิดโกรธขึ้นมาเอาชนะความโกรธได้ใจก็สงบเย็นเกิดโลภขึ้นมาจนถึงคิดจะลักกโมยแต่ว่าข่มใจไม่ได้ก็กลายเป็นความสงบเย็นเป็นต้นนี่ ท, ทีนี้เทวดาก็ พระสมิทธินะฮะพระสมิทธิก็กล่าวว่าตะกี้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดาหมายความมาเทวดาก็รับรู้มาอย่างนั้นนหะรับรู้มาว่าภิกษุก็กรามทั้งหลายอันมีโดยการพระผู้มีพระภาคตัดว่ามีเอ่อมีทุกข์มากเป็นความขับแค้นมากมีโทษมากเป็นอย่างไรโลกุณ ธ, ธรรมนี้อันบุคคลบพงเห็นได้เอง มีผลไม่มีการคนร้องเรียกผู้อื่นมาว่าท่านจงมาดูเถิดคือคือนี้เป็นเป็นคำที่พระสมิธิท่านกล่าวไว้ในตอนต้นแต่แต่ละคำนั้นเทวดาไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ามาถามทบทวน เป็นจำนวนภาษาบาลีนะับเป็นปรมสํานวนภาษาบาลีมันก็อาจจะเหมาะสมในยุคสมัยที่เราไม่มีเอกสารหนังสือจะต้องการพูดย้ำให้เกิดความเข้าใจทำซัำซากๆหมายความว่าคนหนึ่งแสดงและคนหนึ่งก็ทบทวนบนทติดแสดงแล้วก็พลิกกลับเป็นคำถาม เจนี้ถามตัวนี้มันถามยากนะมันตอบยากเพราะว่าคนจะตอบได้ถูกต้องก็คือคนต้องสัมผัสตรงพระสมิธีท่านก็เก่งท่านก็บอกว่าอาตมาเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวิ น, น, นัยนี้ไม่อบอกท่านให้พิสดาน ตัวนี้ท่านผู้ฟังคงนึกออกนะเป็นภาษาคำเดียวเลยประโยคเดียวกันเลยที่พระอัศชิได้กล่าวกับพระสารีบุตรเป็นการแสดงความอด น, น้อมถ่อมตนของท่านได้อย่างหนึ่งมันเป็นปัญหาที่อาจจะถามลึกซึ้งเกินเกินวิสัยที่จะโต้อตอบกับ เพรแต่ละคํานี่นะฮะคือคือสมมติว่าเราจะเอามาตั้งเป็นบทเทศเนี่ยเอารูปตะคุณตะบคุณสังคคุณมาตั้งเป็นบทเทศก็เรียกเป็นอุทเทศนเป็นบทตั้งแต่ละบทเนี่ยเชนว่าสบากขาโตพระกวตาธรรมโอะกุเทศเนี่ยถ้าจะต้องการอาธิบายให้ชัดเจนแจม่มแจง้งแล้วก็เข้าใจได้แพร่หลาย โอ้ใช้เวลายเยอะนะมันต้องมีอุปมาอุปไมยมีในฐานเทียบเคียงมีตัวอย่างบุคคลมีมีผลมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเทียบเคียงเยอะพอเรื่องลึกลึกซึ้งเกินไปเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าคนถามต้องถามเอง คนอยากรู้นี่ต้องถามอีกพอแต่จะให้ท่านท่านตอบท่านก็ตอบได้ไม่ถึกซึ่งพอแต่ทีนี้จะให้ท่านถามแทนเนี่ยมันก็ไม่รู้เขาคงจะสงสัยเรื่องอะไรดีที่สุดก็คือคนที่สงสัยต้องถามอีกเพราะท่านยังบอกว่า เราเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมในนี้เราไม่อาจบอกท่านได้ให้พิสดารเวลเนี้พยพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่ตะปธารามเนี่ยกรุงราชคฤห์ก็ใกล้ๆกันสรุปว่าพระเจ้าก็อยู่ใกล้ๆกันก็าท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโปรงนั้นแล้วก็ทูลถามเรื่องนี้เถิด เราภูมิเอพาเจ้าจะทรงพยากร์แก่ท่านอย่างใดท่านก็พึงทรงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนั้นเอถอะหรือไม่ขอตอบไอ้นี่คือดีมากอะคนเราที่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือตอบใช่ทุกเรื่องเลยคือเราไม่รู้อะไรทุกเรื่องหรอกและเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันลึกซึ้งเกินที่จะตอบหรือบางทีเวลามันจํากัดเกินที่จะตอบ วิจิตพิสดารออกไปในเรื่องดอกนั้นเนั้นถ้าเราไปตอบทุกเรื่องโอกาสที่จะเกิดความสับสนความเข้าใจผิดแล้วก็วิปลาสคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมัน ก, ก็มีได้ก็มีท่านอาจารย์กิติภูมิเขาตั้งข้อสังเกตว่า แต่ทำไมจะอัตมาตอบได้ทุกทุกคำถา ม, มไม่ใช่คือเขาถามในเรื่องที่เราตอบได้เพราะว่าเรื่องทั่วไปที่เขาถามมาเนี่ยมันเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องพื้นๆเป็นปเรื่องวิถีชีวิตทั่วไปแต่ก็มีบางเรื่องที่ถามแล้วเนี่ยมันต้องอธิบายในชั้นต้องเขียนกระดานลงเป็นชารตแล้วอธิบายและใช้เวลา ไปตอบได้ยินเฉพาะเสียงเนี่ยตอบไม่ได้หรอกถึงตอบก็ไม่เข้าใจเพิ่งจะถ้าจะตอบเราก็ต้องตอบโดยวิธีอื่นไม่จะตอบไม่ได้แต่ว่าต้องตอบโดยวิธีอื่นคือปัญหาบางอย่างเนี่ยยังยกตัวอย่างการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในความเป็นจริงแล้วเราสวดตั้งแต่พรรษาแรกอะนะ เพราะว่าเป็นคาถาเขาเรียกว่าสวดบังสกุลอัชิในเทศกาลอย่างปักได้เนี่ย<ม>ก็สวดในเทศกาลเดือนสิบคือวันศาสตร์จะทำบุญให้เปรตเพราะมันเป็นพระเป็นเอนบวชก็ต้องท่องถึงแล้วตรงนั้นเน่มันเดือนสิบเดือนสิบสิ้นน่นะ เ, เต็ แล้วเราก็มาเรียนตอนมาร์ธามชั้นโทอยู่ในหมวดสิบสองถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจแล้วกว่าเราจะเข้าใจได้นะกว่าจะอธิบายได้เป็นระบบแล้วก็สามารถยักย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาเป็นมาดไปจับเรื่องแต่ละเรื่องได้เนี่ ย, ยใช้เวลานา น, าน ใช้เวลานา น, านต้องศึกษาค้นคว้าต้องถูกเถียงต้องอภิปรายต้องซักถามซักแล้วซักอีกจนอาจารย์บางทีก็รำคาญเลยคือเราซักให้เราเข้าใจอะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ซักอย่างนั้นะเข้าใจในรูปของการอธิบายได้ไม่ใช่เข้าใจในการรู้ปฏิจจสมบัติด้วยานนะเข้าใจในรูปองการอธิบายได้เท่านั้นเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากหละ พิธีท่านก็โยนลูกออกเลยเทวดาเขาเก่งน ะ, ะเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพวกเทวดาที่เป็นบริวารมากจําพวกอื่นห้อมล้อมพระพุทเจ้าเข้าฝ้าไม่ได้ง่ายหรอกขอถ้ทาท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ช่วยถามด้วยแล้กัน คือตามปกติเทวดาเนี่ยถ้ามีบุญน้อยเขาเรียกมีศักดาน้อยเนี่ยเวลาเข้าเฝ้ามันก็คล้ายๆกับเราเข้าเฝ้าในหลวงคือถ้าสถานะทางสังคมเราอ่อนด้อยเนี่ยมันยิ่งห่างยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแต่สาน ถ like um, that, ้าสถานะทางสังคมสูงอย่างเนี้ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นระฐมนตรีอย่างเงี้ยเขาก็กลายมันเทวดาเองก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยพอมีเทวดามีศักดาวมากเข้ามาเนี่ยท่านก็ต้องถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยเื่อยเลยเพท่านเป็นภูมเทวดาถ้าเทวดาผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยท่านก็เฝ้าลําบากก็ตกลงว่าพระสมิทธิ์ทก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ว่าก็คงจะได้จังหวะนะฮะเทวดาก็ตามตามพระสมิทธที่ไปด้วยพระสมิธก็กราบทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่ที่สนทนากับเทวดาที่เล่าไว้ในการแรกเนี่ยให้ฟังแล้วก็กราบทูลเล่ากราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดที่ท่านสนทนากับเทวดาแล้วก็เทวดาสักถามท่านเนี่ยแล้วก็เล่าว่า เทวดาได้ฝากมาให้กราบทูลถามปัญหาต่อพระองค์ก็นีข้อ็ความในเรียกว่าก็ซ้ำความเดิมนะฮะทำความเดิมที่ที่ท่านคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเล่าเท้าความโดยละเอียดเทวดาก็ก็คล้ายๆกับแอบแอบกรซิบข้างหลังนะถามเถิดพิสูจถามเถิดถามเถิด เปิลพระเจ้าก็ได้จักแกเทวดานั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายมีความสําคัญในข้อที่ได้รับบอกติดอยู่ในข้อที่ได้รับบอกไม่กําหนดหนดรู้ข้อที่ได้รับบอกย่อมมาสู่อํานาจแห่งมัจจุส่วนพระกีณาสบภิกษุผู้กําหนดรู้ข้อที่ได้รับบอกย่อมไม่สําคัญข้อที่ได้รับบอก เพราะข้อที่ได้รับบอกนั้นย่อมไม่มีแกขีนาศนั้นฉะนั้นเหตุที่จะพึงพูดถึงข้อที่ได้รับบอกจึงไม่ได้มีแกขีนาศปิสูตนั้นดุก่อนเทวดาถ้าท่านเข้าใจก็จงพูดเถิดเรื่องยิ่งยุ่งกับไปใหญ่และยากใหญ่เลยที น, นี้ก็เราจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้มันมนุษย์เราเนี่ยเราก็เจอบ่อยอ น, นะก็เรอตัญหามานติทิ ตาหามานธะิฐิเนี่ยมันจะเกิดตามการบอกเล่าเราเป็นอย่างนั้นเรามีสกุลอย่างนั้นปู่ย่าตายายเราเป็นอย่างนั้นสกุลเราใหญ่โตอย่งงางนั้นมีความรังคาอย่งงางนั้นแล้วก็อัตตามันจะโตขึ้นมันจะเกื้งขึ้นอย่าโตขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็สิ่งที่นามาอ้างนะอาจจะเยอะแยะอาจจะสกุลอาจจะบรรพบุรุษ อาจจะทรัพย์สินเงินทองอาจจะวิชาความรู้อาจจะฐานะทางสกุลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณใ น, นแต่ละอตาเยอะแยะไปหมดเลยที่จะเอามาเป็นตัวกระด้างแล้วให้เกิดยึดติดในความเป็นอย่างนั้นของตัวเองเพราะ<ว><า>โดยเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีการดูหมินกันในลนักษณะยวเนี้โดยความเข้าใจเข้าใจว่าตนมันเหนือ ว่าคนอื่นในด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นจนแรงขนาดว่าพวกวันนะพรามกับพวกวันนักษัตว์เป็นพวกจันทานเนี่ยต้องเอาน้ำหอมส6บหกหม้อมาล้างหน้าเลยถือว่าเสนียดจังไรอับประมงคนเป็นเรื่องเสียหายอย่างแรงมากๆเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะ ตอนที่กษัตริย์เนปาลถูกฆ่าไปทั้งวังตายกันทั้งวังมีพราามท่านหนึ่งมารับทยธรรมเป็นพรามแก่แล้วเลยประกอบพิธีการจบแล้วท่านกลายเป็นจันทานเลยเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธกาลยังลงเหลืออยู่ได้่ั นี่คืออะไรคือมานะนั่นเองทีนี้การจะยกมานะเนี่ยต้องฟังก็ต้องนึกว่าพระเจ้าไปพูดเรื่องมกิ่ในศพเพราะว่าท่านสมิธิไปตั้งป้าไว้ที่โลกุณรธรรมซึ่งเป็นตัวนิพพานสุขจริงๆนั่นมันต้องโน่นแหละพระอรหันต์้ท่านก็เชิญชวนในสุขที่เป็น เป็นมนุษย์เน่ยเป็นเขาเรียกว่ากามที่เป็นเป็นของมนุษย์อยากไขวหากามที่เป็นทิพตีนี้พระสมิธ ท, ที่ต่างบอกว่าท่านไม่ต้องการกามทั้งสองอย่างแต่ท่านต้องการพ้นจากกามทั้งที่ทเป็นของมนุษย์ ท, ทั้งที่เป็นของทิพเพื่อเข้าโลกุตระทีนี้เมื่อพูดถโลกุตระมาโลกุตระมันมีตังเก้า แล้วก็เพื่อจะเข้าถึงบรมสุขจริงๆก็คือต้องนิพพานที่บรรลุเป็นพระหานทีนี้พระหานเนี่ยเราเรียกอีกชื่อเยอะในที่นี้ทรงชว่าขีดนาศพแปลว่ามีอาสวะที่สิ้นแล้วแล้วก็ไปทรงเน้นที่ตัวมานะถามมาทำไมที่เส็จน้นที่มานะล่ะ เพราะมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูง เ, เรียกสังโยชน์เบื้องบนนะมีอยู่หข้อด้วยกันคือรู ป, ปราคาความกำหนัดในรูปประชานรู ป, ปราคาความกำหนัดในรูปประชานมานะความถือตัววัตถุเป็นอุทาจจะความฟุง้งแล้วก็วิชาความมืดบอดทีนี้ห้าข้อนี้ถ้าละได้ข้อหนึ่งก็คือหมดหมดทุกข้อ เราเขายึดโยงกันอยู่ก็ เ, เรียกว่าเป็นปัจจัยของการอะไรกันอยู่ทีนี้เพื่อจะให้ง่ายเนี่ยมันมันต้องย้อนกลับไปถึงภูมิหลังของเทวดาคือเทวดานี่มาด้วยท่าทางยิงยิงครั้งแรกเนี่ยมายืนบนอากาศนะยืนในบรรากาศแล้ววางมาสใหญ่โตเบ่งรัศมีตัวเองออกมาให้เกิดสว่างสวยเล่นอยหัวรุ่งด้วยจ้ ยืนพูดเหนือพระนะพระสมิติเตี้ยวๆยืนอยู่ที่พื้นในเทวดายื น, นข้างบนทีนี้พอพระสมมิติที่ตอบครั้งแรกเนี่ยเทวดาก็ตกใจโอ้โหภิกษุนี้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเราแสดงกริยาอย่างนี้ไม่สมกวรเลยก็ลดลงมาที่พื้นนะมาอยู่ที่พื้นแต่เป็นการถามในลักษณะค่อนข้างกระด้าง ก็ดูมินนะฮะดูมินผูกปัญญาถ้าเราสังเกตว่าคำถามค่อนข้างดูมินโดยเชื่อมั่นว่าปฏิ ร, ะ, ระตอบไม่ได้ท่านสมิธีตอบไม่ได้ไอต้ตอบ้วคงตอบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพระสมิธิท่านก็ไม่ตอบถือว่าเป็นเรื่องของพุทธวิสัยแล้วดัง น, นั้น พอพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายมีความสําคัญในข้อที่ได้รับบอกติดอยู่ในข้อที่ได้รับบอกไม่กําหนดรู้ข้อที่ได้รับบอกการรับบอกในที่นี้ก็คือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นอ่ะทีนี้พอบอกมันเกิดอาหังการอูเราเป็นเราเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นโอสารพัดนะนะครับเลออันตาเนี่ยมันเขื่องแรงนะครมันเขื่องแรงเราก็นึกดูถึงว่า ยังพระเจ้าวิทูธาพระซึ่งก็เป็นราชอุรษของกษัตริย์แล้วก็ประชนนีที่จริงก็คือเป็นทิดาของกษัตริย์เพียงแต่ว่ายายนะเป็นคนวันหน้าต่ำแต่นั้นเด้งกับถูกดูหมิ่นอย่างแรงคณะต้องเอาน้ำนมมาล้างที่นั่งเลยนะอยันนี้คือความกระด้างเดิมหน้าเข้ามานะ มันไปสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็นคนวรนนะสุดบริสุทธิ์มีคันที่หมดจดดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจ็ดชั่วสกุลในแต่ใดพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์เนี่ยเขชอบถือกันนะฮะหมายความว่าพวกตัวเองนี่บริสุทธิ์มาเจ็ดชั่วโคตแต่งงานกันเองอย่างราชวงศ์สักยะเนี่ยก็แต่งงานกันเองแล้วก็คิดว่าตัวเองน่ะบริสุทธิ์ด้วยกันแต่งงานกันเองมันก็เป็นความนิยม ในพวกของเขาพระพรามเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตอนแนวตัวนี้เราก็ยังเราก็พบคนอย่างในปัจจุบันส่วนใหญ่นะก็คือประเทศไทยคล้ายๆไม่มีชนชั้นนะแต่มีชนชั้นเยอะนะมีชนชั้นเยอะคือถ้าเราเข้าไปในสังคมบางสังคมมันสัมผัสได้สัมผัสอาหารการของมนุษย์นี่ได้ แล้วบรรยากาศมันมันจะไม่นิ่งมันจะเครียดมากบรรยากาศมันจะเครียดมันจะอึดอัดมากเพราะต่างคนต่างสแสดงอัตราตัวเองออกม า, มาเคยเคยสัมผัสมากมที่ทมเนียบรัฐบาลถึงสันติมิสิเขารับกิจติคุณสัพันธ์สังเงินเอามาเป็นกิจติคุณสัพพันธ์รงเงินรุ่นพี่นะเขาก็นิมนต์ไป ไปแคร์ใก็รับรุนน้องแต่ว่าเราไปอยู่ระยะหนึ่งนี่มันโอ้โหมันอัตตามันเขื่ อ, อนแ่้ที่เนี่ยเลยก็ออกมาเลยแล้วก็จากบัตรนั้นจนบัตรนี้ไม่เคยเข้าไปไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเพราะรู้สึกว่าไม่ได้สุดจจใจต่อกันมุติตาก็ไม่ใช่มุติตาจริง มันเป็นลักษณะตัณหามานตะชิชิชีเปล่งออกมาเป็นรังสีนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่เรากระทบได้เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้แต่ตั้งตั้งใจกำหนดนะ่เพราะนนี้ก็ท่านท่านกำหนดด้วยโมหะแต่ว เ, เข้าใจว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ดูหมิ่นคนอื่น ว่าเป็นผู้เราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าคุณในเรื่องนั้นนั้นเสมอคุณในเรื่องนั้นนั้นเรียกว่าเลวกว่าคุณในเรื่องนั้นนั้น่ะิเออทั้งหมดเนี่ยมานะ้ามันออกมาเก้าหมายความว่าตัวเองอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะเหนือคนอื่นในเรื่องในเรื่องหนึ่งแต่คนเราเป็นเหนือทุกอย่างไม่ได้อยยังพระพุทธศาสนาเราเนี่ย เราพูดพระพุทธเจ้าหาพูดเสมอไม่ได้แค่สามเรื่องแต่นั้นเองนะฮะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่าศาสนาอื่นเขาเล่นเอาทุกเรื่องเลยเอาขนาดว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าของพระพุทธเจ้ า, รจาพระเจ้าเกิดก่อนตั้งพันกว่าปีพูดน่าเฉยตอเฉยเลยแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้ามื่อก่อนม่นับถือาศาสนาเขาทั้งๆงที่าศาสนาพูดเกิดก่อนเขาโอ้คนเราเนี่ย นึกดูก็น่าสรุปนะตรงนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเลิศในเรื่องปัญญาที่ทำลายอาวิชชาแล้วก็ความบริสุทธิ์อย่างจากกิเลสอย่างแท้จริงเลยแล้วก็มีพระไตยกรุณาอย่างแท้จริงสามเรื่องนะสามเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่อง การที่คนอื่นจะเลิกว่าคนอื่นทุกเรื่องนี่เป็นไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างว่าสันโดษในเรื่องบัญชีนี่พระเจ้าก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระสาวกของพระองค์เก่งบาพระองค์เยอะถ้าจะเอาสันโดษเรื่องบัจญชีมันเกี่ยวข้องเงนอยู่ในป่าเป็นวัดนะพระองค์บางทีก็อยู่บ้านงที่ก็อยู่ในปางก็แล้วแต่สาวกบางองค์เนี่ยไม่เข้าที่ร่มเลยอยู่คนไม้ตลอดอยู่ป่าตลอดอยู่ถ้าตลอดอยู่กลางแจ้งตลอดอย่างเงี้ย อยู่กันท่านได้ถือถือบงางสกุลจีวรเนี่ยอุกฤษไม่ยอมรับผ้าที่เขาถวายเลยเป็นต้นเนี่ยพ้มานะเนี่ยถึงแมาา้อย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ไม่ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วเราจะเลิศ ก, กว่าเขาจริงหรือเปล่าในเรื่องนั้นเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยเรารู้ก็ได้ไงยังมีอดีตผู้ว่ากทมเนี่ยเคยพูด บอกว่าสมณะในสำนักสันติอโศกนี้เป็นสุดยอดของพระในประเทศไทยผมไปมาหมดทุกวัดแทเทียบไม่ได้เลยโอ้โหมันโกหกซ้อนโกหกเลยนะฮะและ้วแปลคนเชื่อมันมีมนุษย์ที่ไหนสามารถไปได้ในวัดทุกวัดทั่วประเทศไทย แม้แต่เจ้าการณ์จังหวัดบางจังหวัดยังไม่รู้ลูกวัดของตัวเองอยู่วัดวัดอยู่ตรงไหนได้ทาไปจังหวัดบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครราชสีมาเนี่วัดทั้งสองพันกว่าวัดใครรู้วอยู่ตรงไหนแล้วใครจะไปตรวจสอบดูพระได้ทุกอง์แต่คนก็เชื่อแต่คนคนนี้ก็หากินในวิธีอย่างเงี้ยมาตลอดก็เป็นเวรกรรมนะฮะเป็นเวรกรรมของคนเอง นื่วเกิดจากอะเกิดจากมานะแล้วก็อติมานะแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นโดยเข้าใจว่าตัวเองมีธรรมะทั้งๆ ท, ที่มันเป็นกิเลสนะฮะมันไม่ใช่เป็นธรรมะเลยมันเป็นกิเลสแล้วก็เป็นมุสาวาทด้วยที่มีความชัดเจนมุสาวาทนั้นชัดเจนเลยเพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้แม้แต่วัดเดียวกันเราก็พิสูจน์ใครไม่ได้ เราไม่ถึงกับคุ้นเคยกับใครจนถึงกับรู้ความเป็นไปของเขาในแต่ละวันได้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่งางมีหน้าที่ทำการงานศึกษาแลาเรียงกันไปเปิดวิธีการที่พระเจ้าทรงสอนนี่ก็คือว่าเราไม่ดำเนินตนไปตามหลักอริยสัจ ท, ทั้งสี่สัทั้งหลายมีความสำคัญในข้อที่ได้รับบอกคืออุปท า, านยึดมั่นน่ะยึดมัน่นในสิ่งที่ได้รับบอก แล้วก็ติดอยู่ในข้อที่รับบอกก็คือก็คืออุปทานแล้วก็ไม่กําหนดรู้ข้อที่รับบอกคือไม่กําหนดรู้ความจรงิงวันนี้คือสมมติสัจจะมันไม่ใช่จริงหรอกแล้วเราก็ไม่ได้เลิอดจริง ร, รู้ได้ยังไงเราเลือจริงคนทั้งโลกอ่ะคือ <lat> <น>ถ้าเราคิดเป็นนะนะมั <lat> นเหมือนกระเด้ผ่านนาทีกระเดือกผ่านนาทาีต่างๆแล้วก็โลกทั้งโลกอ่ะเวลาเดียวกันเนี่ย แล้วมันจะตรงกันได้ไงเพราะเวลาเช่นว่าไทยกับพม่าเวลาก็ต่างกันแล้วะไทยกับมาเลเซียก็ต่างกันแล้วเอาใกล้ๆเนี่ยแต่กับอินเดียเนี่ยก็ต่างนั่งามชั่วงกว่าแล้วทาไมจะต้องมีเลอกผ่านนาทีอะไรมากมายแกล่องทางดีเวลาเท่ากันแล้วมก็อยู่จริงๆนะที่พระเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่คําดีตอนดีตอนเช้าตอนเช้าก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ดีทนดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดี การทำดีนะ่ะเป็นประทักษินเบื้องขวามันเป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ง่ายทีนี้ถ้าเราไม่มีการกำหนดรู้ความจริงเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วทำอะไรคือความแตกต่างละ่ะอะไรคือความแตกต่างในดวงเรากับเขาอะไรคือความแตกต่างเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเขาอะประกอบดินน้ำลมไฟอากาศ เขาเรามีวิญญาณธาตุเขามีวิญญาณธาตุเราคิดดีบางคิดไม่ดีบางเขาคิดดีบางคิดไม่ดีบางแล้วก็เอามาวัดกันไม่รู้ใครคิดดีได้มากกว่ากันเราก็ไม่รู้เอาก็จริงเนี่ยมันไม่มีใครดีกว่าใครเอาไปเสียทุกกรณีเพราะคนมันทั้งโลกนะเดี๋ยเนี่้ต้องหกพันกว่าล้านนะต้องคิดตึงกว่าอื่นเขาด้วยแล้วก็ จากเป็นอย่างเงี้ยมัจะมาสู่อำนาจของมัจจุคือจะต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆนะฮะเกิแก่จะตายเกิแก่จะตายไปเรื่อยที น, นี้พระขี่นาศพนี่ท่านมีอาสวะสิ้นแล้วให้เราสังเกตว่าทรงยกเอาสังโยชนุสัยมานานุสัยให้กับสังสังโยชนานานสังโยชนิมนชนดมาแต่ว่าพอเรียกขี่นาศบเอาะ อานสวะมาเรียกนะอาสวะมาเรียกแต่ในขณะเดียวกันก็มีสังโย ด, ด้วยนะอิวิชาอนุสัยแล้วก็วิชาสังโยชดอยู่ด้วยหมายความว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากอิวิชาแต่คนสามารถทำลายวิชาลงไปได้แต่ความสำคัญบรนหมายในลักษณะดังกล่าวก็จะถูกทำลายไป พเจ้าจึงรับสั่งว่าส่วนขีณาศพภิกษุผู้กําหนดรู้ข้อที่ได้รับบอกก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ า, เ ป, างงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันสมมุติกันย่อมไม่สําคัญข้อที่ได้รับบอกแล้วเพราะข้อที่รับบอกนั้นย่อมไม่มีแก่ขีณาศพนั้นคือไม่ยึดมั่นว่าเราเปลนเพราะว่ามันไม่มีเราให้ยึดะ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่มีเราให้ยึดต้งฟังลองสังเกตนะสมมติว่าเราไปในที่หนึ่งก็มีคณะกรรมการเขาประชุมเขาถกเฉียงเขาอาภิปรายการรันรุนแรงเราฟังสนุกสนุกไปอย่างนี้เราไม่เดือดร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราเป็น เราเป็นกรรมการเรามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับการอภิปรายของคนเหล่านี้อยู่ด้วยแต่ว่าพอเกี่ยวกับบ้านเมืองนะฮะคือเรามีส่วนบ้านเมืองทีออกกฎหมายมาอย่างนั้นไปทาอย่างนั้นปฏิวัติรัฐประหารอย่างนั้นขอรับชันโกงกินอย่างนั้นเราก็เดือดรอ้อ น, นเพราะว่าเป็นบ้านเมืองของเราด้วยกัน แม้ทั้งๆั้งทีในแง่ความจริงเราก็ไม่ได้เป็นตลอดพอเสร็จแล้วเราก็ตายแต่คนเรานั้นก็ตายแต่ว่าสมาชิชาติบ้านเมืองคิดแต่เงนินไม่ได้เพราะเรียกว่าต้องเอาเรื่องเอาราวอะเอางานเอาการเอางานของแผ่นดินเอางานของชาติบ้านเมืองต้องสนองคุณของแผ่นดินไม่ได้ปล่อยให้ใครไปทําอะไรกันตามเพลิดเพลินเพราะว่าชาติบ้านเมืองก็เป็นของเราเหมือนกัน แ น, น่นอนจริงๆก็เป็นสมมติแต่สมมติอย่างนี้เป็นสมมติที่จะต้องอนุวัตตามคล้อยตามนะพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุยิตแล้วแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของพระสุสามัญเดชมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวพุทธมีอันตรายเกิดขึ้นแก่พระศาสนา มีอรายเกิดขึ้นแก่ประชาชนะะก็ถือเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องดูแลจะต้องโอเจใส่จะต้องเข้าไปแก้ไขกำจัดปัดเป่าพะยาอันตรายเหล่านั้นโดยใจไม่ได้ยึดมั่นถรือมั่นอะไรมันไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งเราเป็นแล้วก็มีทั้งตัวทั้งตนของเราแต่ว่าเป็นการทําด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ ทีนี้ประเด็นของปัญหาเนี่ยคือเทวดาเขาประเด็นปัญหาในข้อที่ยึดติดในความเป็นเพราะนักต่างที่ยังมีมานะเป็นต้นอยู่เนี่ยมันก็ต้องยึดติดหละยึดติดในความเป็นอยู่แต่พระอาราหันต์ซึ่งไม่ยึดติดในความเป็นในกรณีภารากิจของกาญนุเคราะห์โลก เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยดูแลรับผิดชอบอ่อยใจใข้ค่าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นดังนั้นก็ทรงสรุปว่ฉะนั้นเหตุ<อ>ที่จะพึงพูดถึงข้อที่ได้รับบอกอจึงไม่มีแก่ขีนาสบิสุนั้นดูก่อนเทวดาท่าท่านเข้าใจก็จงพูดเถอะนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะฮะคือคือพระสูตรนี้เป็น าการถามที่เจือด้วยมานะของเทวดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีวิธีกำราบโรจีนั้นไม่จะยากประโยชประโยคแต่ละประโยคนี้จะยากต่อการทำความเข้าใจเทวดาเลยงงอยู่ทุกทีในสุดพระพุทธเจ้าก็ต้องส่งอนุเคราะห์เขาด้วยการอาธิบายให้เกิดความเข้าใจท้องฟังเท่าไหร่